อิมินาสกาเรนาตามุคาอาพิโค ติสัตตะเนนะสัมมาปัญจสิรานิยัตสัมมาภูติยมปิมยพันเตมีสุมีสุรักพันนัยกะติสัะเนนะสัปัญจสิรายัตสมมาภติยมปิมยพันเต วิสุส้มมีุ้รักพนาักายาดิฉัเนีนสหกันจัดศีลญาจามาต่อเนื่องไปตั้งใจสมาทานศีลหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆพอลูกหลานหลึสศสัทธาญาติโยม อาราธนาสินหลวงพ่อจะเป็นผู้กล่าวหรือวันแนะนำเรื่องสินให้แ ก, ล ก, ลาาก่ลูกหลานสธาญาตโยมให้ทราบเพราะโดยมากลูกหลานได้สังเกตดูไหมว่าเมื่อมีพิธีกรรมไปในสถานที่ต่างๆพอสธาญาตโยมอาราธนาสินแล้วก็ พระสงฆ์ที่เป็นประธานท่านก็ให้สินอันนี้คือเป็นประเพณีที่ผ่านมาที่หลวงพ่อเองเป็นพระสงฆ์ก็ในลักษณะอย่างนั้นโดยมากจะไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์แนะนำว่าสินและทำหรือว่าสิลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสำหรับพวกเราจะได้รักษาก็เป็นอันว่าถือกันมาแล้วก็ถือกันไป และกัความหมายในศินห้านั้นมีอะไรบ้างแต่ถ้าว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาเข้ามาบวชหรือว่าได้ค้นคว้าตำรับตำราหรือว่าได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเข้ามารักษาศีลในวัดวา ส, าสนาก็คงจะพอเข้าใจว่าศีลและธรรมนั้นมีคุณค่ามีความหมายอย่างไร เพราะนั้นลูกหลานนักเรียนมสามที่นั่งอยู่ข้างหน้าของหลวงพ่อเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าลูกหลานก็คงจะไม่เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อจะแนะนําเรื่องศีล เ, เรื่องศีลห้าให้แก่ลูกหลานได้ทราบเพราะเมื่อกี้นี่ลูกหลานได้กล่าวเมื่อยังพันเตติสารเนนสหปัญจศีลานิยาจามะคือเป็นอันว่าลูกหลาน จะขอสมาทานศีลห้าตามประเพณีลัทธิาธนาพิธีที่ลูกหลานได้มาทําในวันนี้ต่อไปนี้หลวงพ่อก่อนที่จะให้ศินหลวงพ่อจะได้แนะนําขั้นตอนในการรับสินอันดับแรกหลวงพ่อจะนําว่าณโมณ์ณนะนะโมตัสสะปะคะวะตัวรหัตสตสัมมาสัมพุทธะหลวงพ่อจะพานําว่ากล่าวถึงสามครั้งความหมายณโมนั้นแปลว่าอะไร พวกเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะเป็นภาษาบาลีณโมแปว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือความหมายด้วยความแปนะโมคือทำไมเราจึงนอบน้อมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นทำคาสั่งสอนที่พวกเราจะได้นามาประพฤติธปฏิบัติเนี่ย เป็นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษามาแล้วจึงได้มาประกาศเผยแผ่ออกมาแล้วก็พระสงฆ์ได้นำทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศอีกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นเราจึงเราจะปฏิบัติศีลธรรมเราก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนอย่างที่ว่านะโมยอย่างนี้ะจากนั้นเราก็ได้กล่าวเป็นหลวงพ่อจะได้นาว่า พุทธังสารังคัจฉามิธรรมังสังขังสารังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งดูติยามปีพุทธงังธรรมังสังขังสารังคัจฉามิยืนยันเป็นครั้งที่สองตาติยามปีพุทธงังธรรมังสังขังข้าพเจ้าขอถึงพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามยืนยันถึงสามครั้ง พระพุทธเจ้าคือต้นศาสนาต้นศาสนาที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรม8ปดหมืสี่พันพระธรรมะขันมีมากมายที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศินห้าพระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติศิลอุโบสถศินแปก็ได้บัญญัติศินสิบสมมาเนนก็ได้บัญญัติศินสองรี่สิบของพระสงฆ์ก็ได้บัญญัติจากนั้นพระธรรมศินสมาธิปัญญา อริยสัจสี่มาก8อะไรมากมายที่เป็นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า 84% ดหมพันพระธรรมมขันจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมของพระพุทธเจ้านํามาประกาศมาเผยแผ่ขายายผลให้แก่พวกลูกหลานจัทธาญาติโยมได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้ชี้แจงให้แก่ลูกหลานฟังในขณะนี้แหละอันนี้แหละคือนําพระธรรมคําสั่งสอนมาบอกกล่าวอีกที่หนึง่ง จากนั้นหลวงพ่อจะได้นำสิลเป็นข้อข้อทีหน เ, เมื่อยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะเป็นที่พึ่งแล้วจากนั้นหลวงพ่อจะได้บอกกล่าวหรือว่าเป็นผู้นาสมาทานสินข้อที่หนึ่งตามไม่จริงสินของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มครองโลกคือเป็นสิลมาตั้งแต่ดึกดำบรรณก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นในโลกสิล น, นี้ก็มีอยู่แล้ว เราศึกษาในพระไตรปิฎกหรือในศึกษาในชาดกต่างๆบอกว่าศีลหนะ้าคือศีลคุ้มครองโลกถ้าโลกยุคใดสมัยใดมีศีลธรรมมีศีลห้าประจําอยู่ในโลกยุคนั้นสมัยนั้นโลกยุคนั้นสมัยนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าโลกยุคใดสมัยใดขาดศีลธรรมโลกยุคนั้นจะเดือดร้อนวุนว่นวายออันนี้คือศีลของพระพุทธเจ้าดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงมัญญัติสินห้าคุ้มของโลกคือสินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิถ้าหาว่าสู่เจ้าต้องการคณะสัตยาญาติโยมโลูกหลานพระพุทธเจ้าว่างเงินนะ่ะสู่เจ้าทั้งหลายต้องการความสงบร่อนเย็นเป็นสุขสู่เจ้าจะคิดฆ่ากันนะถ้าว่าคิดฆ่ากันเมื่อไหร่สู่เจ้าจะมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนและสังคมของ สูรเจ้าทั้งหลายอันนี้คือเป็นภาษาแบบฝังง่ายๆเพราะงั้นแหะใครถ้าว่าเราไป็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียของเขาฆ่าวงสาคานาญาติของเขาคนที่ถูกฆ่าเขาก็ทุกขใจเป็นทุกข์ในเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกหลานฆ่าวงสาคานาญาติของเราเราก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกัน เพราะนั้นพระพระพุทธเจ้าเห็นว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันนะถ้าว่าสู่เจ้าฆ่ากันสู่เจ้าจะหาความสงบพร้มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนของสู่เจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีพวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายอย่าขาโมยกันนะ ถ้าว่าสูเจ้าขาโมยซึ่งกันละกันถอดรองเท้าไวข้ขโมยกระเป๋าไว้ที่ไหนก็ขโมยอย่างนักเรียนของเราเนี่นะถ้านักเรียนมีแต่ขโมยไปหมดเนี่ยเต็มโรงเรียนลูกหลานจะคิดไปอย่างไรลูกหลานก็คิดว่าคงจะหาความสุขไม่ได้เอาไว้ที่ไหนใครเอาของไว้ที่ไหนก็จะต้องหอบเที่วไปด้วยไม่เพราะอะไรเพราะกลัวขโมยจะขโมยเอาไปนะอันนี้ขโมยคํานี้ไม่ใช่ธรรมดา ขโมยพ่อขโมยแม่เขาไปเรียกค่าไถ่อยู่เนี่ยเออขโมยลูกขโมยเมียเขาไปเรียกค่าไถ่สามีเขาไปเรียกค่าไถอ่อย่างเนี้ยเป็นยังไงขโมยนี่มันมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่คิดขโมยกันเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าขโมยของเขาเขาก็คงเป็นทุกข์ถ้าเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้แหละศินข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีศินข้อที่สาม กาเมสุมิสาจาราเวระมะนีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาขอรักสงวนห่งเหนเพราะตระกูลของเขาถ้าว่าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจยเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมะนีอย่าปรโคมอย่าไปโกหกเขาถ้าเขามาโกหกเราต้มตุ๋นหลอกลวงเรา เราก็เสียใจยถ้าว่าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกันต้มตุ๋นหลอกลวงมีหลายระดับถ้าเป็นระดับเศรษฐีเด็ก็ต้มตุ๋นแบบหนึ่งถ้าเป็นคนทุกข์คนจนก็ต้มตุ๋นแบบหนึ่งโกหกแบบหนึ่งถ้าเป็นเศรษฐีต้มตุ๋นโกหกแบบไหนก็คือตัวเองไม่มีเงินไม่มีเงินในธนาคารก็เขียนเช็คให้เขาอย่างนี้เช็คเด้งอย่างนี้อันนี้เลยบอกว่าต้มตุ๋นกันจนทําให้คนอื่นเกิดร้อนวุ่นวายไปหมด ล่มจมจิบหายไปมากต่อมากอันนี้แหละคือการโกหกเออโกหกมันมีหลายระดับนี่แหละห้ามไม่ให้โกหกซึ่งกันและกันข้อที่ห้าสุราเมรยามชัปประมาณ ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราและเมลัยคนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะว่าคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าไม่รู้สึกตัวว่าตัวทาอะไรตัวเองทําอะไร สินข้อที่หนึ่งก็ขาดได้ฆ่าใครก็ได้ฆ่าสัตว์ก็ได้เน่เพราะว่าขาดสติอาทินนาทานขโมยใครก็ได้เพราะขาดสติกาเมสุวิชชาการทำอะไรไม่รู้จักไม่รู้สึกสํานึกเพราะเหตุใดเน่เพราะขาดสติและลาบและลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้อันนี้ก็คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะเหตุใดเพราะขาดสติ เพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกเราลูกหลานทุกๆคนให้สํานึกไว้อยู่เสมอว่าการกระทําสิ่งใดก็ตามถ้าขาดศีลรมแล้วจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเป็นอันรัรแรกถ้าตัวเองทําความชั่วแล้วนะ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จะจับไหมใส่โทษเข้าคุกเข้าตารางไปที่นี่ใครเป็นคนเดือดร้อนเดือดร้อนตนเองนั่นแหละเป็นคนเดือดร้อนก่อน จากนั้นก็พ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายผู้ที่เกี่ยวข้องก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะฉนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าจะให้เน้นหนักลงไปแล้วก็คืออย่าทำ อ, อย่าทำเพรเหตุได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอักตังทุกตังเสยโยปัชชาตปติลุ ก, กตังยยตตกรรมชั่วอย่าทำเฉยเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะนั้นลูกหลานรู้แล้วว่า สิลห้าของพระพุทธศาสนานั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสำหรับพวกลูกหลานพวกตัวลูกหลานทุกๆคนน ะ, ะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะนำสมาทานสินห้าต่อไปนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตัสมาสีลังวิโสทาย อา ได้ยินเสียงลูกหลานอาราธนาศีลและก็อาราธนาเทศหลวงพ่อที่อยู่ในป่าดงพงไัยแล้วก็รู้สึกปลื้มใจเพราะว่าลูกหลานได้กล่าวถูกต้องแล้วก็เสียงเป็นเสียงสรพันยะอีกหาได้ฟังได้ยากที่เหมือนกัน ต่ตอนนี้ไปให้ลูกหลานตั้งใจฟังนะหลวงพ่อก็คงจะไม่พูดอะไรมากให้ลูกหลานอยู่ในความสงบนะแต่พ่อหลวงพ่อเป็นพระป่าเ่พูดอย่างนั้นได้และก็กล้องถ่ายรูปถ้าหว่าจะถ่ายก็ถ่ายในขณะนี้ได้ถ้าขณะหลวงพ่อได้ตั้งนโมขึ้นมาแล้วก็ขอให้หยุดในการถ่ายภาพเพาเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระป่าอย่างที่ว่านั่นนะ มันแป๊บเข่าตาได้เสียสมาธิในการพูดพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดออกมาเนี่ยไม่ใช่พูดออกมาแบบจําตํำรับตรารามาพูดเอาออกมาจากจิตใจมาขยายผลให้ลูกหลานได้ฟังเพราะหลวงพ่อไปอยู่ในปา่าดงพงไพ่ไปกัไปนั่งหลับหูหลับตาไปอยู่ในความสงบแล้วคอยค้นคิดพิจารณาไตราตรองตึกตรองเหตุและผลจึงได้ธรรมะหรือว่าแนว ทางปฏิบัติมา ก, กล่าวมาสอนลูกหลานหรือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับลูกหลานที่ครูบาอาจารย์ได้ไปกราบหรือว่านิมนต์หลวงพ่อห ล, ลวงพ่อก็เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานต่อคณะสงฆ์ด้วยอันดับแรกหลวงพ่อจะเท่าความให้ลูกหลานได้ฟังว่าหลวงพ่อในเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างไรนะคืออันดับแรกก็คือหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมักเป้งของเรานะะี่ยล่ะหลวงปู่ใหญ่รุ่นคราวคราวเดียวกันนั่นแหะเป็นรุ่นใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงตาอีกกว่า ง, งั้นละ่ะหลวงตาบ้านตาเราเนะี่ยถ้าท่านก็ไปวางเอาทุนให้แกโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นคือตึกสงฆ์ขั้นหนึ่งต่อมา พระสงฆ์ก่อมากมหาวิทยาลัยเขาก็กะจัขยายเขาก็เลยย้ายขึ้นไปตึกสีนครินคือตึกสมเด็จญาเขาสร้างขึ้นมาใหม่สิบ้าชั้นแต่นี้เขาก็จะย้ายตึกหลวงพูเทศเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้นสิบในตึกนั้นมีเนื้อที่กว้างในชั้นนั้นมีเนื้อที่แต่และชั้นมีเนื้อที่กว้างพันเจ็ดร้อยห้าสิบตารางเมตรกว้างพอสมควรนะแต่และชั้น วันนั้นทางโรงพยาบาลเขาก็มองไม่เห็นใครว้างนั่นเถอะเขาก็ไปหาหลวงพ่ออยากจะให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่ออยู่ในป่าดงคงไฟอยู่ในสุดแดนป่าดงหัวงั้นน่ะแต่หลวงพ่อก็เออเข้าไปดูพอไปดูไปเห็นเออน่าจะช่วยเหลือเขาได้มีกําลังพอที่จะนิมนต์ครูบาอาจารย์รวมพลังเพื่อเข้าไปช่วยตึกสงฆ์หลังนี้ได้ก็เลยได้เข้าไปช่วย เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาก็มาเสร็จชิ้นเมื่อปี2551 2น5 0เเนี่ยสรร็จบริบูรณ์แล้วก็ก็ใช้งานได้พระสงฆ์ทั้งหมดมีอยู่38เตียงนะในตึกหลังนี้38เตียงถ้าว่าพระสงฆ์ป่วยมากก็คงจะอัดเข้าไปอีกก็ได้แต่นี่ทีเตียงจริงๆคือ38เตียงแล้วก็โดวพ่อเองก็ได้หาทุนสมทบเข้าไปอีก คือพระสงฆ์อาพาธคือบางอาการเนี่ยอย่างขาเทียมอย่างนี้อย่างทำฟันอย่างนี้หรือว่าทำเกี่ยวกับแว่นตาอย่างนี้ทางโรงพยาบาลเขาจะไม่ทำให้แต่นี่พระสงฆ์ที่อยู่ในปา่าโรงพงยาบาลผู้องค์ยากจนก็มีพอเขามาแล้วก็เขาจะต้องทำฟันให้พระทำแว่นให้พระทำขาเทียมให้พระไม้เท้าให้พระอย่างนี้ ก็มีหลายๆอย่างที่หลวงพ่อจะต้องที่เขาขอเป็นกองทุนขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้คิดเอากองทุนก้อนนี้แหละเอาไปไว้เป็นส่วนกลางถ้าว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านใด เ, เจ็บไข้ได้ป่วยที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลจะรักษาได้ก็ใช้กองทุนก้อนนี้อย่างที่ว่าโรคมะเร็งอย่างนี้โรคไตอย่างนี้เนีทางเขาทางโรงพยาบาลเขาจะไม่ให้การรักษาแต่หลวงพ่อเอากองทุนก้อนนี้ให้ ถ้าเป็นมะเร็งก็เอาเงินก้อนนี้รักษานะถ้าล้างไตก็เอาเงินก้อนนี้รักษาอย่างเนี้มีหลายๆอย่างถ้าหลวงพ่อจะบรรยายให้ฟังก็คงจะมากใหม่ที่นอกเหนือจากเงินกองทุนทางรัฐบาลที่ว่าเงินสาสิบบาทหรือบัตรทองอย่างนี้ในที่เขาจะให้เพราะนั้นที่ลูกหลานได้รวบรวมจะตุปัจจัยที่หลวงพ่อเห็นว่าเป็นผ้าป่าในวันนี้หลวงพ่อก็เนี ยินดีรับแล้วก็จะมอบให้แก่โรงพยาบาลศุนแล้วก็หลวงพ่อเองก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ผู้เจ้าของโครงการและลูกหลานทุกๆคนที่ได้ร่วมเสียสละมากน้อยให้แก่ตึกสงอาพาธหลังนี้หลวงพ่อว่าการทำบุญกับตึกสงอาพาธหลังนี้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกท่านทาไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่า ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแลอได้พูดเอาไว้วา่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าว่าผู้ใดก็าตามอยากจะปฏิบัติพิกซุไข่ผู้ใดปฏิบัติภิกซุไข้เหมือนปฏิบัติเราตถาคตผู้ใดอยากจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกซุไข่อันนี้สงฆ์เท่ากันเพราะฉะนั้นพวกเราได้สร้างโรงพยาบาลหรือช่วยสมทบช่วยสงอาพาด เหมือนกับพวกเราได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าด้วยดูแลพระสงฆ์ด้วยเมื่อพระสงฆ์ท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บท่านก็จะได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่หรือหรื อ, รอมากกว่านั้นท่านก็ได้ปฏิบัติตนของท่านจนได้สําเร็จมักสําเร็จผลเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเมื่อไรนะพวกเราลูกหลานทั้งหลายก็คงจะได้บุญได้กุศลมากมายเพราะพวกลูกหลานได้ลงทุนดูแลพระสงฆ์เก็บไข้ได้ป่วยนะ อันนี้ก็คือหลวงพ่อเองได้เห็นโครงการของพวกลูกหลานตามรอยพระพุทธบาทช่วยสงอาพาธโครงการพระพุทธศาสตร์สัญจรระดับม .3 รอรอสตรีราชินูทิตและก็หลวงพ่ออินถวายเส้นตุศโกทิบสบกุมภาพันธ์ส5 5พโรงเรียนสตรีราชินูทิตจังหวัดอุดรธานี พอลูกของพอหลวงพ่อมาเห็นลูกหลานนั่งอยู่ในทางแถวหน้าของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นแลเออเนี่แหละลูกหลานทั้งหลายเป็นจะเป็นทรัพยากรของประเทศชาติต่อไปภายภาคหน้าพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายลอดถึงหลวงพ่อเนี่ยนะออจะต้องเป็นผู้แนะนําเป็นผู้กล่อมเกลาให้ลูกหลานเป็นผู้มีคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ถ้าว่าลูกหลานทั้งหลายไร้คุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมแล้ว ก็ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าวังเลยที่จะสงบร่มเย็นเป็นจุกได้เพราะคนขาดขาดศีลธรรธมอ่ะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเริ่มแสดงธรรมนะที่นี้นะอันนั้นคือกล่าวอรรมพบนะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต arahato สัมมาสัมพุทธัสสะอะเซวานาจะบาลานังบัณฑิตานั่นเจเสวานาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังขารมุตตะมันติติวันนี้ นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นได้เห็นลูกหลานได้พร้อมเพียงกันได้มาประชุมนหอประชุมแห่งนี้เพื่อจะได้ทอดผ้าป่าช่วยสงอาพาศและก็พร้อมกันก็ได้ทำพิธีไหว้พระและประสมาทานศีล และตอนนี้ไปจะได้ฟังธรรมเทศนาหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมหมดทนียกถาให้แก่ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาต่อไปลูกหลานทั้งหลายนับว่าเป็นทรัพยากรของชาติขอให้ลูกหลานทั้งหลายเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจไว้ในใจอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะเป็นเด็กดี จะเป็นเด็กที่ดีจะเป็นเด็กดีในครอบครัวจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่จะเป็นหลานที่ดีของปู่ย่าตายายจะเป็นสมบัติที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานต้องคิดไว้ในใจเสมอแต่ถ้าว่าลูกหลานทำตัวไม่ดีพ่อแม่ก็จะต้องเดือดร้อนอันดับแรกคือคือตัวเองน่ะจะต้องเดือดร้อนก่อนเพราะว่าตัวเองไม่ได้ออกตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเนี้ยทั้งที่พ่อแม่ ส่งเข้ามาให้เรียนหนังสือพ่อแม่ของมอบให้ครูบาอาจารย์มีเงินเท่าไหร่ทุ่มเทให้ทั้งที่พ่อแม่พ อ, อยากจนบางครอบครัวแต่ถึงยังไงอยากจะให้ลูกของตัวเองเรียนหนังสือให้สูงที่สุดให้ดีที่สุดในใจจิตใจของพ่อแม่เพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่มาเรียนหนังสือในโรงเรียนแห่งนี้หลวงพ่อว่าลูกหลานทั้งหลายเป็นผู้โชคดีอย่างมากๆ ทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าลูกหลานที่มาเรียนในโรงเรียนราชินูทิดเนี่ยเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดอุดรเป็นโรงเรียนชั้นหนึ่งพูดอย่างงั้นได้อุดรพิษอุดรพิษเน่ยคือโรงเรียนฝ่ายชายอันนั้นก็เป็นโรงเรียนชั้นหนึ่งของจังหวัดอุดรราชินูทิดก็เป็นโรงเรียนชั้นหนึ่งของเมืองอุดรเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาโรงเรียนมาได้ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้เป็นผู้โชคดีอย่างมากๆ คนทั้งหลายเขาก็อยากจะเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เพราะนั้นลูกหลานให้ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนณนะสถานที่แห่งนี้เพราะนั้นให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วก็ให้ตั้งใจที่นี่ถ้าว่าลูกหลานถึงจะเข้ามาอยู่ในสถานที่ดีก็จริงแต่ว่าลูกหลานไม่ตั้งใจไม่ได้สนใจเหมือนกับเราไปอยู่บ้านเศรษฐีอย่างนั้น เราก็ไม่ได้ทํามาค้าขายเราก็ไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นการฝากเฉยๆไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าพวกลูกหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเรียนตั้งอกตั้งใจศึกษาลูกหลานทั้งหลายจะได้ความรู้ความฉลาดในการเรียนในโรงเรียนแห่งนี้อย่างมากเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่มาสอนในโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่คัดสรรจากโรงเรียนต่างๆมาแล้วเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายให้ตั้งใจเรียนนะ อย่าให้หนักใจครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรให้เชื่อฟังนะและ ก, แนะแก็พ่อแม่ของเราเนะี่ยเป็นอันดับแรกพ่อแม่ของเรานี่ยมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจอย่างมากอยากจะให้ลูกตัวเองเรียนหนังสือให้สูงส่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเงินคําทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็ให้เดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่พวกเราใช้เท่าไหร่แต่ลูกบางคนนะก็ใช้เกินตัวไปก็มีนะลูกหลานทั้งหลายให้สังเกตตัวเอง ที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้โอปัญิโกนะที่หลวงพ่อพูดไม่ใไม่ใช่พูดให้ใครฟังไม่ใช่พูดให้เสาศาลาฟังไม่ไม่ใช่พูดให้ศาลาฟังพูดให้ลูกหลานฟังลูกหลานที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยแหละฟังฟังแล้วให้ศึกษาให้คิดไตรตรองดูว่าข้าพเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดจริงหรือไม่ที่เรามาศึกษาที่นี่เราใช้เงินผิดประเภท เราได้เอาเงินพ่อแม่ออกมาทั้งที่พ่อแม่ว่าเออลูกเอเอาไปเพื่อซื้อนังสือเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นอาหารเพื่อเป็นการพักผ่เอเช่าที่บ้านที่พักพาอาศัยซื้อซื้อเสื้อผ้านู่นะลูกละลูกน ะ, ก แ, ะกนะแต่เราเอามาเที่ยวมาเล่นเอามากินเหล้าเมายาช้าอย่างนี้มีไหมไหอันนี้ให้พวกเราถามถ้าเราใช้อย่างนั้นแต่ว่าเราใช้ผิดประเภทเผิดประเภทที่พ่อแม่ให้ แต่แต่บางคนก็บอกว่าเอ้าแต่ผู้ใหญ่เขายังทำได้หลุงพ่อเคยเจอนะ scenario, อเคยเจอหลวงพ่อว่าผู้ใหญ่เขาทาไมสูบพูลีได้กินเหล้าได้ทำไมเขาจึงทำอย่างนั้นได้อันนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ลวงพ่อบอกนะอันนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่เขาหาได้แล้วเขาหาเงินได้แล้วเขาหาเงินใช้เองแล้วเขาจึงทำอย่างนั้นได้แต่เดี๋ยวนี้เราพวกเราหาเงินยังไม่ได้เรายังอาศัยพ่อแม่อยู่ ถ้าว่าพวกเรา อ, อาศัยพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้อยากจะให้เรียนหนังสือนะเอาเงินไปใช้เพื่อเรียนหนังสือแต่เราเอาไปเที่ยวซะอันนี้ไปว่าใช้เงินผิดประเภทนะใช้เงินผิดประเภทเอาไปใช้ผิดประเภทไม่ถูกต้องถ้าว่าพวกเราคิดมาเมื่อไหร่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะต่อไปลูกหลานที่นั่งอยู่หน้าหลวงพ่อเนี่ยจะต้องมีครอบครัวนะเออไม่มีครอบครัวอย่างน้อยก็ต้องรับผิดชอบในตัวเอง หรือว่าผู้เกี่ยวข้องโดยมากจะมีครอบครัวจะมากกว่าถ้าว่าลูกหลานต่อไปภายภาคหน้ามีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวมีลูกออกมามีลูกออกมาแล้วมีลูกแล้วเนี่ยลูกหลานให้คิดดูว่าถ้าหากว่าทําตัวอย่างเราทําเดี๋ยวนี้พ่อแม่อย่างเราเป็นพ่อแม่ของเขาเน่ะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราจะเสียใจไหมถ้าว่าลูกทําตัวอย่างที่พวกเราทําเดี๋ยวนี้ ถ, ถ้าเป็นเราเป็นแม่ยะเป็นพ่อเป็นแม่เราจะเสียใจไหมอันนี้คือให้ท่องคาถาไว้ในใจของตนเองอยู่เสมอถ้าว่าลูกหลานได้ท่องคาถาไว้ในใจอย่างนี้เสมอนะลูกหลานจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการว่าลูกหลานทำไปแล้วพ่อแม่ไม่สบายใจแม่พ่อแม่เป็นทุกข์ใจเมื่อไม่พ่อแม่เป็นทุกข์ใจเราจะสบายใจได้เหรอเพราะนั้นสิ่งไหนที่เป็นความสบายใจของพ่อแม่ให้ลูกหลานทั้งหลายองคิดนะ เพราะว่าพ่อแม่เป็นบุพผาอาจารย์เป็นอาจารย์ของคนแรกของบุตรธิดาลูกหลานคงจะเคยเห็นเด็กที่เกิดมาตัวเล็กๆแดงๆไม่รู้เดียงสาภาวะอะไรเกิดออกมาคร้องให้เวลาหิวกร้องให้ เ, เวลาร้อนเวลาหนาวร้องให้้ทําไมพ่อเด็กไม่รู้พ่อแม่ก็ต้องประครบประงมดูแลลูกของตัวเองลูกพวกเราลูกหลานทุกคนที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ย เคยเป็นเด็กอย่างนั้นไหมเคยเป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่เคยที่ใครจะเกิดออกมาแล้วใหญ่ขึ้นมาเลยไม่มีต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนนับตั้งแต่หลวงพ่อลงไปจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะนั้นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจากนั้นก็ท่านก็แนะนำสั่งสอนให้รู้จักผมผ้าให้รู้จักอาบน้ารู้จักทานอาหารจากนั้นก็ให้รู้จักเรียกพ่อแม่ ปู่ย่าตายายพี่น้องพ่อแม่ก็สอนให้เป็นภาษาภาษากลอนจากนั้นเมื่อพ่อแม่สอนพอประมาณแล้วก็อายุสองสามปีทุกวันนี้นะ mm. เขาก็ส่งเข้านักเรียนอะเนี่ย mm. เป็นนักเรียนอนุบาลตัวเล็กๆอจากนั้นก็ประชาบาลจากนั้นก็ประถมมัธยมไปเรื่อยล่ะทีนี่นั่นแหละอันนี้คือขั้นตอนในการเกิดมาเพราะฉนั้นพ่อแม่ที่เจะท่าจะว่าไปแล้วเป็นบุพก า, ารย์ เป็นอาจารย์ของบทธิดาเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายให้เคารพนะเอาให้เคารพพ่อเคารพแม่ของตอนเองอย่าทำให้ท่านหนักใจอย่างพวกลูกหลานถ้าอยู่ในเมืองอย่างนี้ถ้ากลับไปถึงบ้านก็ควรจะช่วยภาละธุระกิจการงานของครอบครัวไม่ใช่ว่าพอเลิกโรงเรียนไปแล้วก็ไปหาเที่ยวเตรไปหาเที่ยวเล่นไปหากินอาหารทาให้พ่อแม่อยู่ทางบ้าน คิดแล้วคิดอีกยลูกของเราไปไหนน้อเป็นพวกเป็นร้องกิตกกังวลในจิตในจันในใจแต่ละวันในวันนั้นลูกหลานให้คิดถึงอกพ่อแม่พอเลิกจากเรียนแล้วก็รีบกลับไปบ้านอพอที่จะช่วยสิ่งไหนได้พอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะปัดควัดทาความสะอาดถึงไหนก็ช่วยช่วยพ่อแม่ให้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ให้ได้อ น, นี้แหละหน้าที่ของบรที่ดี ถ้าบุตรที่ไม่ดีแล้วก็อย่างที่ว่านั่นแนหะทะเลทะไลายทําสิ่งไหนที่จะเป็นความทุกข์ความรอ้อนมาสู่พ่อ แ, อแม่ก็ทําสิ่งนั้นแหะมาสมหัวอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ยิ่งทุกข์ในการทํามาหาเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็มาทุกข์กับลูกของตนเองอีกหลวงพ่อว่าผู้ใดก็ตามได้ลูกดเีเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือถึงจะไม่ฉเฉลียวฉลาด แต่เป็นผู้ตั้งใจดีช่วยภาระของพ่อแม่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหลวงพ่อว่าพ่อแม่คนนั้นเป็นผู้มีบุญนะเป็นผู้มีบุญพ่อเป็นได้ลูกดีเฮียคนนั้นลูกหลานให้ฟังไว้นะที่หลวงพ่อได้กล่าวสอนเนี่ยที่ว่าหลวงพ่อสอนไม่ผิดก็แล้วกันเพราะหลวงพ่อเห็นมากต่อมากที่มาบ่นมาพูดให้หลวงพ่อฟังถึงจงหลวงพ่อจะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าอยู่ในป่าในดงก็จริงแต่หลวงพ่อได้ยิน พ่อแม่มาพูดแล้วก็ลุงพ่อเองก็ได้สังเกตอีกด้วยว่าการมีลูกมีเต้าเนี่ยทุกยากลำบากอย่างไรอย่างเนี้ยขอให้ลูกหลานเห็นอกเห็นใจพ่อแม่นะอย่างนั้นก็ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งอกตั้งใจอยากจะให้อยากจะสอนลูกหลานให้เป็นนักเรียนที่ดีมีคุณภาพมี คุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมคือโรงเรียนลายจินโทิทของเราเนี่ยถ้าหาว่าสอนจบเป็นรุ่นออกไปแล้วสอบข้อหมอที่ไหนติดวิศวะหรืออะไรที่ลูกหลานต้องการสอบติดหมดโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็ภาคภูมิใจในการแนะนำสั่งสอนเพราะว่าลูกหลานของเราตั้ง อ, อกตั้งใจเรียนแต่ถ้าว่าลูกหลานของเราไม่ตั้งใจเรียนนะที่นี่ ไปสอบที่ไหนก็ไม่ติดก็เป็นที่ขายหน้าของโรงเรียนของเราเหมือนกันเพราะนั้นถ้าหากครูก็ตั้งอกตั้งใจสอนนักเรียนก็ตั้งใจเรียนหลวงพ่อว่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างคือครูก็ดีนักเรียนก็ดีประสบความสำเร็จน่มันไม่ไกลเลยเพ<อ>ราะนั้นให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจนะถวพูดท้งนี้ท้งนั้นหลวงพ่อก็เคย มีคนถามหลวงพ่อว่าเออโลกทางโลกทุกวันนี้น่ะมันเดือดร้อนวุ่นวายมีเรื่องราวต่างๆมากมายหลายเรื่องจริงๆหลวงพ่อว่าจะทำยังไงจะพัฒนาจุดไหนจะทำยังไงก่อนหลวงพ่อก็ตอบออกไปเลยว่าถ้าหากว่าพวกเราสอนกันรู้บอกกล่าวกันแนะนำสั่งสอนกันให้มีฮิลิหรืออดตับปะสองอย่างเท่นี้แหละ โลกทั้งโลกก็จะสงบโร่งเย็นเป็นสุขเพราะเหตุใรเพราะธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเป็นพระธรรมขึ้นมาในธรรมะธรรมะโลกกบาลคือทาคลุมครองโลกสองอย่างให้หลีคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปถ้าว่าคนโลกทั้งโลกมีให้หลีกับโอตปะสองข้อนี้ โลกทั้งโลกก็จะสงบพรมเย็นเป็นสุขได้นี่แหละคือพูดง่ายๆแต่ตีความหมายกว้างขวางมากคือความละอายแก่แกใจ น, นีนคือความละอายนั้นสิ่งไหนที่มันชั่วเราไม่ทำอย่างสิ่งห้าที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นให้แก่ลูกหลานได้ยินได้ฟังคือว่าสิ่งห้าประการตั้งแต่ปานาตินาการเมมุสาสุราเนี่ยอันนั้นแหะคือความชั่วถ้าเราไปทา ข้อใดข้อหนึ่งเข้าไปแปลว่าเราถล่เข้าไปแล้วไปเป็นบุคคลชั่วเข้าไปแล้วไม่มีฮิหลีกละวัวตปะไม่มีฮิหลีกคือความละอายแก่ใจแล้วอันนั้นคือส่วนหนึ่งจากนั้นเราก็ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองเราเป็นเด็กหญิงเด็กๆ ก, กำลังเร่เรียนศึกษาอยู่แต่เราไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่เคารพพ่อเคารพแม่ทาชั่วไม่ดีอันนี้ก็คือไม่มีฮิหลกอตปะ ในชุมชนและสังคมหรื อ, อในโรงเรียนนั้นก็หาความสงบเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะคนขาดที่เหลีกคือความละอายแก่ใจตาโอดตปะคือความกลัวต่อบาปถ้าว่าคนไม่มีไม่กลัวต่อบาปทําได้ทุกอย่างเ อ, อในที่ลับในที่แก้งโดยเฉพาะในที่ลับทําไปแต่ตามไม่จริงถึงพวกลูกหลานจะจับไฟให้พวกหลานคิดลูกหลานคิดดูให้ดีนะเพวกลูกหลานไม่ให้มีใครรู้ละปิด ห้องดีๆแล้วก็จับไฟมันร้อนไหมมันก็ร้อนแล้วก็เปิดในที่สาธารณะลูกหลานจับเลยสิไฟมันร้อนไหมก็ร้อนทําไมเพราะไฟมันร้อนอันนี้ก็เหมือนกันในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอะกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นทําที่ไหนก็ร้อนอกร้อนใจร้อนหนึ่งในความประพฤติของตนเองถ้าว่าพวกเราไปทําความชั่วแล้วใครจะไม่เห็นก็ตา่าง แต่นั่นคือความชั่วกรรมชั่วนะั้นจะต้องเผาผ่านลูกหลานเมื่อภายหลังเผาผ่านผู้กระทําเมื่อภายหลังเพราะยนั้นระวังฮิริคือความละอายโอุ ต, ตะปะคือความกลัวต่อบาปเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัตินะลูกหลานและก็พร้อมกันก่อนหลับก่อนนอนหลวงตาเองอยากจะสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีเออคือก่อนนอนก็ให้ไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ก่อนค่อยหลับนอน อันดับแรกก็คือพ่อแม่ของเราเนี่ยแหละหลวงพ่อจะจะย้ําอีกจุดหนึ่งนะคือพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นบุปภากาลียังไม่แล้วนะยังเป็นพระอรหันต์ของบุตรถ้าว่าใครก็ตามถ้าว่าดูถูกเหยียดยามพ่อแม่คนนั้นเหมือนกับดูถูกพระอรหันต์บาปกล้ำมากเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายเมื่อจะมาเรียนหนังสือตอนเช้า หลงพ่อว่าถ้ามีโอกาสมาถ้าเห็นพ่อแม่อยู่ควรจะยกมือไหว้พ่อแม่ก่อนเป็นอันดับแรกนะสวัสดีค่ะแล้วก็ยกมือไหว้พ่อแม่แล้วค่อยมาเรียนหรือว่าก่อนกลับไปถึงบ้านก็ยกมือไหว้พ่อแม่ก่อนถ้าผ่านพ่อแม่เข้าไปแล้วแล้วก็ค่อยไปเอาสมุดดินสอออกกระเป๋าเอาไปไว้จากนั้นก็มาช่วยภาระของพ่อของแม่ อันนี้คือนักเรียนยรู้จักหน้าที่นะจากนั้นมาช่วยพ่อแม่แล้วก็ทํเอาของอาหารเลี้ยงครอบครัวจากนั้นเราก็มาทําการบ้านพอทําการบ้านเสร็จแล้วเราก็เข้าก่อนจะหลับนอนนะก่อนจะหลับนอนแล้วก็ไหว้พระสะกด อ, อรหัง ส, ส, สัมมาสวารคตสุปฏิปันโนจากนั้นก็นโมตัสสะปะคะวะโตกล่าวนโมสามจบจากนั้นก็ให้แผ่เมตตานะ วิธีแผ่เมตตานี่ไม่ไม่ยากนะลูกหลานง่ายง่ายคือตั้งใจให้นิ่งนิ่งทำใจให้เป็นกลางกล า, ากหจนั่ห น, น่นึกขึ้นมาว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเท่านี้แหละอันนี้คือแผ่เมตตาแหละตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขน ะ, ะคือ ถ้าเรามีเมตตาในจิตในใจเราไปในสถานที่ใดที่ว่าผีดุผีดุนะเออเรานอนฝันร้ายเนี่ยให้นึกคํานี้ขึ้นมานะอ่าลูกหลานจะเป็นนอนแล้วก็ก่อนจะนอนแล้วก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นึกในใจขึ้นมาข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนา เพียงแค่นี้แหละพออันนี้คือแผ่เมตตาจากนั้นถ้ามีโอกาสหลวงพ่ออยากจะแนะนำให้ลูกหลานนั่งสมาธินะดุจเหล็ ก, ล, กลูกหลานขนาดนี้แหละควรจะนั่งสมาธิถ้าคนที่มีสมาธิดีนะไม่คิดไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่ออกนอกลู่นอกทางนั่งกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทหายใจออกโ thon นะเมื่อจิตสงบแล้ว ลูกหลานจะมีความสุขความจําก็จะดีนะทีนี้สมองก็จะดีเพราะเหตุไดเพราะจิตไม่ป้วงฟุ้งซ่านถ้าว่าจิตใจพุ้งซ่านแล้วหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้อย่างลูกหลานเห็นไหมเออคนที่เดินข้างถนนโตโตเตเตเนี่ยผมยาวๆ น, นั่นแหละคนขาดสติเป็นยังไงจะเอามาเรียนหนังสือได้ไหมลูกหลานว่าเรียนไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะขาดสติคนไม่มีสติเพราะนั้นลูกหลานให้ฝึกสติไว้ให้แข้มแข็งนะ ก่อนหลับก่อนนอนนั่งสมาธิสักห้านาที่ตั้งนั้นนาฬิกาไว้นะอย่างมากอย่างน้อยสักหานาทีมากกว่านั้นเกิด10ิบยนาทีนั่งบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ทําใจให้หนิ่งนิ่งกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสักสิบนาทีหลวงพ่อว่านะจากนั้นก็นยังค่อยออกจากสมาธิยังค่อยไหวพระสวดมนต์ต่อนี่แหละจะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับลูกหลานความจําก็จะง่าย จากนั้นมาคนที่มีสมาธิมีศีลสมาธิคุ้มครองแล้วมองใครก็เป็นศีลเป็นธรรมเมตตามีเมตตาต่อเขาเราต้องการความสุขคนเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเราเราจะไม่เบียดเบียนเขาเราจะไม่ดา่าไม่ว่าเขา เ, เราจะไม่ดูถูกเห ย, ยียดย้มเขานีมีน้าําหิตน้ําใจต่อกันเพื่อนต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ก็มีความสุขเขามีเขาเห็นเราเราเรามีเมตตาต่อเขาเขาก็มีเมตตาต่อเรา แต่ถ้าเราไม่มีเมตตาต่อเขาเขาก็ไม่มีเมตตาต่อเรานะคิดดูสิถ้าเราไปด่าเขาสิเขาก็ด่าเราทันทีเลถ้าเราไปมองเขาในแะง่ไม่ดีเขาก็ต้องมองในแะง่ไม่ดีถ้าไปเราไปอิจชฉชาเข า, เขาก็อิจฉาเรานะเพราะฉะนั้นเราจะไปอิจฉาเราจะไปดูถูกเกย็ดหยามเขาทําไมนะถ้าเรามีเมตตาต่อเขาทุกคนมีเมตตาต่อกันแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มของพวกเราน ะ, นะะวันนี้หลวงพ่อเองได้พูด แนวความคิดให้แก่ลูกแก่หลานได้ฟังได้ศึกษาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเนี่ยพอลูกหลานก็คงจะฟังมากมากก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะนะลูกหลานนะต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะอ่ำหนวยอวยพรให้แก่ลูกหลานทั้งหลายขอให้ลูกหลานทั้งายตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จนะในการศึกษาในการเรียนของลูกหลานขอให้ลูกหลานทั้งหลาย มีความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตปราถนาทุกประการเทิน